ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการฟังธรรมะการคุยธรรมะกันแล้วก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุญโญกับท่านผู้ฟัง อ่ะแก้ตรัสไว้นะสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ส่งกันมาเป็นรุ่นๆ copy ออกมาหลาย นะผ่านน้ำผ่านไฟนะผ่านกระบวนการผ่านอุปสรรคต่างๆดังทําไมเรามาเจอธรรมะเอ่อ 4 บทเราเป็นผู้สูงสุดนะนะ 92 เล่ม แล้วมัน 35 เล่มและอย่างงี้แล้วมันจะไป 84,000 84,000 กอง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมันเป็นจํานวนแสดง ทำให้คนเข้าใจได้แต่ทําให้คนเนี่ยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ๆเนี่ยดีตรงที่ว่าเราจะทุกวันทําไมพูด ผมอยากอธิบายเพิ่มอีกน่ะทุกข์คืออะไรความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์อย่างนี้เป็น นะคุณก็งงสิไอ้และสิ่งที่ลงมาแล้วเนี่ยมันคือยังๆอธิบายบ้างก็ นึกไม่ใช่ว่าเยอะจนกระทั่งเราเรียนไม่ได้เลยไม่ไหวไม่ใช่มัน นะในทางตรงข้ามเราก็จะต้องให้มันมีความรู้สึกอ่ะท่าน นะหรือว่าเอาจากพระสูตรนั้นมาเชื่อมยมพระสูตรนี้ทําให้มัน นะคือถ้าเราจะพยายามที่จะไปอธิบายต่อที่เค้าอธิบายเรามาแล้วเราไม่เข้า นะเวลาที่เค้าตรีกลองออกลบเนี่ยมันก็ใช้กลองอยู่เรื่อยๆนะทําให้บางทีแผ่นหนังขาดบ้างตัวไม้ปริบ้าง นะพวกอ่าช่างไม้เขาก็จะเอาลิ่มใหม่มาใส่อยู่ เราไม่เข้าใจเราก็ไปฟังคําอธิบายแล้วคําอธิบายนั้นก็อธิบายไม่เข้าใจๆๆๆๆนั้นแล้วเรายิ่งจะงง แล้วเราเราจะไม่สามารถทรงจําคําสอนหรือคงคําสอนของปุจฉาได้นะ บางคนสามารถคนที่ไม่ได้ก็มีประเพณชนะได้บางคนสามารถจําพระสูตรได้บางคนเชื่อมโยม พวกเราสงสัยอะไรกันแน่มันมาถึงตรงจริงๆพุทธวจนะเดิมๆที่พระเจ้าตรัสรู้มาด้วยอ่ะนั่นน่ะมัน เราจะกลายเป็นคนสุดท้ายณที่อยู่ในถ้ําม้าแห่งนี้เราอย่าให้เป็น นะถ้ามีคําอธิบายที่เป็นของสาวกเป็นของอะไรเป็นบทแล้วก็ไปหา คุณจะเป็นผู้สูงสุดผู้ทรงธรรมสีบทไหนก็อริยะสัจสินนั่นแหละทุกสมุทร Allora. เห็นทุกข์ไงโอ๊ยทุกข์จนเห็นอยู่ทุกวันแล้วถูกต้องคุณยอมรับมันได้มั้ยคุณเข้าให้เห็นๆนะเอ่อไม่ แล้วเหตุเกิดทุกข์ล่ะรู้อะไรก็รู้เหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คืออะไรตัณหาไงตัณหาเป็นยังไงต้อง นะก็ทำได้แล้วอ๋อนั่นแหละคุณเป็นพหุสูตผู้ทรงธรรมละแล้วสุดๆทําให้บ่อยๆทําให้ซ้ําๆทําๆทําอยู่ นะคนทําจริงเค้าไม่เบื่อคนทําจริงคนทําเป็นคนทําได้ยิ่งจะทําหนักยิ่งจะแล้วทํา เราให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมใช่มั้ยเราจะเป็นๆเลยจําได้อยู่แล้วจําบทได้มั้ยขอ 3 บทท่านขอ 3 บทอะไรศีลสมาธิปัญญาอ้าวคุณจําเลยจําศีลจํา 8 ก็ได้ 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ก็ได้หรือจะ แล้วคุณมีศีลสมาธิปัญญา 3ๆอ่านี่เป็นข้อจําได้มั้ย 3 ข้อจําไม่ได้เหรอเอา 2 ข้อมั้ย 2 มันก็เรียกว่าเข้าไปในใจนะทําอย่างดีนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะทํานี้แล้วคุณจะเป็นผู้สูงสุดผู้ทรงธรรมได้ 2 บทจําได้มั้ย 2 บทน่ะสัมมาทิปัสสนาจําไม่ได้เหรอเอาขอบทเดียวเป็นไง ตองๆๆซ้ําๆๆมันจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นการทําที่จิตนะถ้าเรามาระลึกถึงโรงหมายใจอย่างนี้แหละถูกต้อง อยู่เรื่อยๆท่านผู้ฟังในวัน